หลังจากที่เรานะเดินทางอยู่ในป่าเขา <c oughs> มาหลายวันนะท <c oughs> างไกลความเจริญเนาะ <c oughs> วันนี้ก็มาเจอถนนใหญ่นะ <c oughs> เจอเสา <c oughs> เจอเสาไฟฟ้าเจอสัญญาณโทรศัพท์หลายคนก็กระดีกระดาเหมือนป่าได้น้ำ มันกลับมาสู่สิ่งที่คุ้นเคยมากขึ้นนะแต่ก่อนตอนที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะเรารู้สึกแบบไหนนะโทรศัพท์ก็มีก็เหมือนไม่มีนะแต่พอมันมีขึ้นนะเราก็รู้สึกว่ามันได้ใช้ประโยชน์จากมันเต็มที่บางทีก็ใช้ประโยชน์บางทีก็ใช้เกินประโยชน์นะ อันนี้ก็ไฟฟ้าก็เหมือนกันนะให้ความสว่างเนะี่ยแต่ก่อนไม่มีเสาไฟนะก็มีโซลา่าเซลล์หรือบางที่ไม่มีนะก็ได้แสงสว่างจากโซลา่าเซลล์บ้างได้ชาร์จอะไรบ้างหรือถ้าไม่มีก็ใช้ไฟนะจากเทียนนะจุดนะที่จริงไฟจากเทียนกับไฟที่จากหลอดนีออนนะ คุณค่าจริงๆก็คือให้ความสว่างเหมือนๆกันเนะอืแต่เราก็รู้สึกว่าอันนี้มันสะดวกสบายดนะีแต่ความสะดวกสบายบางทีก็แล ก, กกับความไม่สงบเนาะเรายิ่งอยู่ใกล้ในที่ที่สะดวกสบายมากเท่าไหร่นะความไม่สงบก็มากขึ้นเท่านั้นนะอย่างเช่นเราอยู่นะที่ตรงนี้นะ ก็มีถนนใหญ่นะมีถนนใหญ่ก็มีรถดาวิ่งขวักไวฟนะในตอนหัวค่ำอย่าง น, นีแต่ก่อนเคยนอนนะฟังเสียงกระดิ่งรัวกระดิ่งควายนะฟังเสียงจิ้งหรีดเลย์ไล่นะตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงถนนเข้ามานะมีรถดานะ่าหรืออีกไม่กี่วันนะึงนะช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะ เรอาจจะมีเสียงสังส่นๆกันของของผู้คนนะที่กลับมาเยื่อนบ้านนะมาฉลองปีใหม่กันที่บ้านนะเสียงก็อาจจะส่งถึงเราด้วยนะเรียกว่าในช่วงต่อไปนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องรับมือกับความไม่สงบนะจากเสียงรบกวนภายนอกหรือว่าจากสิ่งรบกวนภายนอกนะทั้งในขนาดที่ เดินทางก็ดีนะอา จ, จมีรถดามากขึ้นนะหรือขณะที่พักเองก็ดนะีอาจจะมีเสียงดังนะหรืออาจจะมีความ <c oughs> เรียกว่าวุ่นวายมากขึ้นนะแต่ก็ให้เราถือว่าเป็นเหมือนลองดูเป็นการทดสอบดูว่าสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกภาวนาหลายวันนะในปากเขาลำนเนาไพยนะเรามาใช้ใน <c oughs> ในเมืองนะในที่ที่มีความวุ่นวายมากขึ้นได้หรือเปล่านะนะเพราะบางทีชีวิตเราก็เลือกไม่ได้นะอย่างเส้นทางเราพยายามที่จะเลือกเส้นทางที่เรี่ยงนะ่ะเรี่ยงถนนใหญ่มากที่สุดนะแต่เส้นตรงนี้ก็เป็นเหมือนภาคบังคับที่เราต้องเดินเดินทางไปกับเขานะเหมือนชีวิตของเราก็เหมือนกันนะบางทีเราก็เลี่ยงที่จะอยู่ ในที่ที่สงบสงัดไม่บุ่นวายไม่ได้แต่รอดเนาะบางทีเราก็ต้องอยู่ในที่ที่มันมีความบุ่นวายบ้างนะมีปัญหาบ้างนะมีอุปสรรคบ้างนะแต่เราจะอยู่กับมันได้อย่างไรนะโดยที่ใจเราไม่ไปติดข้องนะไม่ไปทุกขนะ์ไม่ไปเรียกว่าหลงไปกับเขาอันเนี้ย คือบททดสอบที่เป็นการบ้านที่เราจะต้องนะลองกับมันดูเนาะ่จะทําได้มากน้อยขนาดไหนนะลองลองดูในเมื่อเราเลือกไม่ได้แล้วเราก็ต้องพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันเผชิญกับมันเอาสติสมาธิปัญญาเอามาใช้ให้มากที่สุดเนะรถมันจะวิ่งก็เรื่องของรถนะไม่เกี่ยวกับรเราเนะ เสียงจะ ด, ดังก็เรื่องของเสียงนะไม่เกี่ยวกับเรานเะอนะความวุ่นวายภายนอกนะมันก็เป็นความวุ่นวายภายนอกนะแต่ถ้าเรามีสตินะมันเข้าไม่ถึงใจของเรานะเอนะเราสังเกตดูนะเมื่อไรที่เราเปิดใจไปไปไหลไปกับเขาไปหลงไปกับเขาเนะี่ยเช่นมีเสียงนะเราหลงไปฟังเนะ่เช่นมีเสียงเพลงบางที กลางคืนต่อไปนะอาจจะมีเสียงเพลงดนตรีนะเพลงที่คุ้นเคยก็ดีนะเราก็อาจจะเผลอ้องไปในใจกับเขานะเพลงที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบเลยนะหนกหูลำคาญเราก็อาจจะรู้สึกไปวิพากษ์วิจารณ์ <c oughs> ไปต่อต้านเขานะอันนี้เสียงที่เกิดขึ้นนะอนะถ้าเราไม่หลงไปกับเขาบางทีก็เผลอไปต้านเขา เราลองตามรู้ใจของเราดูว่าเวลาใจมันเผลอไหลไปกับเขานะสติรู้ทันนะมันจะหยุดนะเช่นบางทีมันเผลอลองในใจนะพอสติรู้ทันนะมันหยุดกึกเลยนะเหมือนเหมือนแผ่น3ีดีนะมันเปิดอยู่ดีดแล้วก็ปิดมะนะันซะเสียงมันก็หายไปนะในใจนะอารมณ์มันก็ตัดลงไปนะ ท, ทันที หรือเสียงเกิดขึ้นเราไปต่อต้านเขาไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเนะี่ยไปไม่ชอบเขาไปเหมือนกันนะเราค่อยรู้ทันใจที่มันไม่ชอบนะใจที่มันโวยวายนะดึกแล้วอยากจะนอนเลือกร้องเสรีเลยรเนี่ยนะนะใจเราก็คิดนะเดี๋ยวจะไปร้องเรียนเขาเดี๋ยวจะไปนั่นนี่เขาใจตอนเนี้ยมันไม่สงบนะอืเราเสียงถ้าเราได้ยินสักจะว่าเสียงนะ มันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น น, นอนฟังไปนะรับไม่รับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่เป็นไรนะถ้าเราวางใจสบายๆนะอะไม่รับก็ไม่เป็นไรรับก็ดีไม่รับก็ดีนะใจเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาถ้าเราไปวุ่นวายเนะี่ยเราจะคิดคิดนั่นคิดนี่มากมายนะแต่ลองฟังสักแต่ว่าฟังดู แล้วก็สังเกตอารมณ์ในใจไปด้วยว่ามันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยว่าใจมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพลงนี้เสียงนี้ขึ้นมาบางทีเราก็ชอบเสียงนี้เพลงนี้ขึ้นมาบางทีเราก็ไม่ชอบบางทีเราก็ไม่เป็นไรบางทีเราก็เป็ น, นเป็นไปกับเขา ไม่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นในใจนะบ่อยมากนะลราสังเกตดูนะเสียงก็ดีนะเดี๋วตอนเราเดินก็ดีนะเดินขึ้นเขาเดินลงห้วยนะเดินไม่มีรถลาเดินผ่านรถลาผ่านฝุ่นผ่านแดดนะ <c oughs> นอกจากร่างกายที่มันเปลี่ยนที่แสดงให้เห็นนะ ความเหนื่อยความรา้าความเหมื่อยความร้อนความหนาวนะความหิวความอิ่มนะมันก็แสดงให้เราเห็นความเคลื่อนความไหว น, ะนี่ถ้าเราดูกายเราก็ดูดูการเคลื่อนการไหวดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะถ้ามันชัดถ้ามันเด่นเราก็ดูมันอยู่บางทีเราก็ดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจนะ ที่มันเนื่องได้กายนะกายร้อนใจร้อนไหมนะกายเหนื่อยใจท้อไหมนะนะกายหิวใจโหยไหมนะ <c oughs> มันมีคําว่าบางทีเราทานอาหารนะแต่ละมื้อเราบินทาบาทัตหรือชาวบ้านนะเอามาถวายเพิ่มเนะี่ยที่จริงเราไม่ได้ไม่ได้ออดเองนะ <c oughs> ข้าวเหลือเยอะทุกวันนะ กับก็มากบ้างน้อยบ้างตามสภาพของชุมชนนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเหลือเหลือเฟือเรียกว่าเราทานอาหารเนี่ยอิ่มทุกมือ้ออิ่มทุกวันแต่มันมันไม่ได้อดนะแต่มันก็ยังมีความอยากอยก่ใช่ไหมมันไม่ได้อดอาหารนะแต่มันยังอยากอาหารอยากขนมอยากน้ำหวานอยากอะไรในสิ่งที่ มันไม่ได้ทานในช่วงทุดงตรงนี้นะอืมนั้นลองแยกดูนะความอดนะความอิ่มนะความอิ่มนะก็เป็นเรื่องนึ่งนะถ้าไม่อิ่มมันก็คืออดเนาะแต่คดีบางทีมันก็อิ่มนะแต่มันก็ยังอยากอยู่นะพวกนี้คืออดอยากนะนะอยากในสิ่งที่ไม่ได้กินนะอืม มันก็อาจจะคิดฟุงแต่งไปบ้างนะบางทีพอเราได้รับสิ่งนั้นกลับฟืนมาเนาะต้องระวังนะหรือบางคนจะกลับไปที่บ้านนะก็ต้องระวังนะมันบางคนก็เคยมีประสบการณ์นะเนาะมาเดินเท่าดงก็ ด, กดีหรือว่าเวลาเข้าคอสฟกลางพิษหรือว่าอดอาหารก็ดีนะอ่านะขนาดที่อดอาหารขนาดที่ร่างกายมันหิวนะ ความคิดอยากจะกินนั่นกินนี่นะปรุงแต่งขึ้นมาในจิตเยอะนะคิดว่าเดี๋ยวพอได้กินแล้วก็จะกินเต็มที่นะหลายคนอดอาหารตอนอดอาหารน้ำหนักลดลงไปแต่ปรากฏว่าไม่กี่วันก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมนะบางทีก็เพิ่มมากกว่าเดิมนะเพราะว่ามันเหมือนเอาคืนนะพวกเราต้องระวังช่วง ช่วงกีเลสเอาคืนนะเรื่องความอยากมันเอาคืนนะอดอยากปากแห้งมานานนะยิงไม่ได้อดตอกนะแต่มันไม่ได้สนองความอยากนะนะี่ความสะดวกสบายก็ดีนะบางทีก็มันก็สนองนะสนองความอยากนะอาหารการกินบางทีก็สนองความอยากนะต้องต้องระวังนะไนะม่งั้นมันจะมันจะคล้าย เสียประโยชน์เสียค่าไปเฉยๆนะอุตส่าห์อุตส่ตาห์ฝึกฝนตนเองจนจิตใจมันสงบมจิตใจมันละกิเลสได้เยอะพอสมควรนะหรือว่าอย่างน้อยร่างกายก็แข็งแรงขึ้นน้ำหนักลดลงขึ้นหุ่นเฟิร์มขึ้นนะอันนี้ก็อุตส่าห์ฝึกฝนตนเองมาเกือบยี่สิบวันนะกลับไปเจ็ดวันสิบวันกลับมาเหมือนเดิมเลยนะ ทั้งก่เลส ก, ก็ดีทั้งน้ำหนักก็ดีนะนะเราต้องระวังนะนะโดยเฉพาะเวลาเวลาเราเลือกได้เนาะนะบางทีมันจะเลือกเลือกเพราะความจำเป็นหรือเลือกด้วยความชอบนะด้วยความอยากนะอย่างบินทบาดนะเราเลือกไม่ได้เนาะเขาจะใส่อะไรเขาจะให้อะไรนะเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องรับอย่างที่ที่เขาให้มานะแต่มันก็อิ่มนะ มันก็อยู่ได้นะ่ะร่างกายก็อยู่ได้แต่พอถึงคราวที่เราต้องเราเลือกเองเนะี่ยบางทีมันจะเลือกเนะี่ด้วยความพอใจด้วยความเสพนะ เ, ส น, เส น, นีเสพในรสชาติเสพในกลิ่นเสพในความคุ้นเคยเนะี่ยหรือเสพในความอา้ออ้อรสนิยมที่พอใจอยู่เนี่ยนะ ต้องรู้ทันนะไม่ใช่ว่ากลับไปเราจะเราจะต้องเลือกกินแต่อาหาร เ, เหมือนที่เราเคยทุ่ ด, ดงก็ไม่ใช่นะบางทีมันก็หายากนะแต่ให้เรารู้ทันว่าเออมันบางทีเราไปกินมากเกินไปนะนะก็ต้องประมาณในการบริโภคนะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะแต่ให้กินแบบรู้ทันว่ากินด้วยความ ตั้งอยู่ได้ของกายนี้หรือกินด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินนะอรส์อร่อยแบบนี้นะบางทีเรากลับไปสู่ชีวิตปกตินะบางทีเราก็ต้องรู้เท่าทันตรงนี้หรือแม้แต่พวกเราบางคนที่จะทุ ด, ดงต่อก็ดีนะบางทีผ่านผ่านเข้าไปสู่ชุมชนที่ใหญ่ขึ้นนะอาหารหรือความสะดวกสบายมันก็จะ ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยเคยใช้ชีวิตมากขึ้นนะบางทีแม้ไม่ได้ซื้อหาเองแต่มันก็มีตัวเลือกมากขึ้นนะบางทีก็ต้องดูนะว่าอตัวเลือกที่มันมีเนี่ยบางทีก็ <c oughs> เกิดความพอใจขึ้นในใจหรือเปล่านะนะเช่นน้ําหวานน้ําปานนะหรือว่าแม้แต่อาหารที่อาจจะมีมากขึ้นนะ ทำให้เกิดความพอใจนะเพราะบางทีในหลายปีเราจะเจอในช่วงปีใหม่นะลงท้ายปีเก่าตอนนับปีใหม่เนะี่ยเป็นคนจะอยากทําบุญมากขึ้นนะ <c oughs> เหมือนบางทีคนก็กลับมาสู่บ้านนะเพราะคนที่เขาไปทํามาในเมือง <c oughs> หรือบางคนก็ถือโอกาสทําบุญช่วงปีใหม่นะมากขึ้นนะ <c oughs> เราก็ได้รับอเนกปสงค์พวกนั้นมากขึ้นนะ <c oughs> อาจจะมีมาม่ามากขึ้น <c oughs> อาจจะมีปลากระป๋องมากขึ้นเนี่ยหรือมีน้ําหวานมากขึ้นนอบางทีเราก็ต้องรู้จักประมาณในการบรนะิโภคเหมือนกันนะถ้าเราหมั่นพิจารณาไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยนะถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนะอเนะตือนตัเองบ่อยๆออตักพอประมาณเป็นแบบไหนเนะี่ใช้ของ พอประมาณเป็นแบบไหนนะบางทีแล้วถ้าเรามีมากก็เราใช้มากมันก็จะเคยชินนะใช่ไหมเรามีมากเราก็ใช้มากตามความเคยชินนะแล้วต่อไปพอมันมีน้อยลงเนี่ยเราจะรู้สึกมันทุกข์เพราะว่าเราเคยชินใช้แบบมากๆนะเช่นเราอาบน้ําแต่ละทีเนี่ยบางทีเราก็ไม่เคยคิดเลยว่านะเราใช้น้ํามันโอ้เกินความจําเป็ น, ป น, ปนหรือเปล่า ใช่ไหมเราบางทีเราตักน้ำขันหรือเปิดฝักบัวหรือว่าซักผ้าบางทีเราก็ไม่ได้คิดเพราะว่าน้ำมันไหลแทบตลอดเวลาที่เราต้องการแต่พอเรามอยู่ในที่ที่มันอัดคัดน้ำเราจะเห็นคุณค่าของน้ำมากขึ้นอ๋อจริงใช้น้อยลงสักกว่าครึ่งนี้ก็ยังอาบได้นะใช่ไหมซักผ้าก็เหมือนกันนะ แต่ก่อนไม่เห็นคุ้นผ้านะซักผ้าในเครื่องแต่ละทีผ้าไม่กี่ตัวก็ซักแต่น้ำก็เยอะแบบนีน้มันก็หรือบางคนเห็นไหมบางทีบางทีบางคนมีการไปพักตามโรงแรมพักอะไรโอ้เห็นอ่างอาบน้ำอยากนอนแช่นะลองสังเกตดูอ่างอาบน้าที่เรานอนแช่หนึ่งอ่างกับน้ำที่เราอาบในชนบทแต่ละคันเนี่ย บางทีมันเยอะกว่ากันไม่รู้กี่เท่านะอืมความติ้นเปือนที่มันตามมาอันนี้ให้เราดูบางทีถ้าเราไปไปเสพกับความสะดวกสบายนะัหรือสิ่งที่มันพร้อมมากเนะี่ยบางทีมันจะติดนะกลายเป็นติดติดใจนะติดใจแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยนะ่ะนิสัยที่มันมันชอบแบบนั้นพอเรามาอยู่ในที่ที่ดําบาก หรือไม่ระดวกสบายเนี่ยมันจะปรับตัวมันต้องปรับตัวมากนะเพราะว่าความเคยชินที่เราเคยเสพกับความสบายต่างๆเนี่ยเราไม่เคยเจอความยากลำบากเราต้องมาปรับตัวเยอะมากนะแล้วถ้าบางอย่างมันไม่ปรับตัวไม่ได้ก็เกิดความขัดใจไม่พอใจนะนะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะ ไม่ว่าจะอยู่ในที่ที่สะดวกสบายหรือที่ที่ลำบากเราก็ใชนะ้เฉพาะที่มันจำเป็นนะนะพอเราจะอยู่ที่ไหนนะมันก็เหมือนเดิมนะกินก็กินเท่าเดิมนะกินอาหารในพัตคารกินอาหารจากบินธบาตนะก็ออกมาเป็นอุจจาระเหมือนกันเหมนะือนอืมให้พอังเหมือนกันนะเดินทางได้เหมือนกันนะ นอนในห้องแอร์หรือนอนในเต็นท์ในศาราในป่านะก็เพียงเพื่อให้ร่างกายได้พักได้ดับเหมือนกันใช่ไหมไม่ไม่จะเป็นว่าต้องหรูหราต้องสะดวกสบายนะเราก็จะต่อไปแล้วก็เออแต่ก่อนเคยต้องห้องแบบนี้ต้องมีทีวีตู้เย็นแบบนี้แต่จริงแค่ได้มีที่ซุกหัวนอนแค่ได้ปลอดภัยสักหน่อย ก็พอแล้วช่ไกินก็เหมือนกั น, นบางคนกินวันละเป็นพันเป็นหมื่ น, นกินวันละสิบวันละไม่กี่สิบก็พอเหมือนกันตรงนี้ยอืมเครื่องเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะแต่ก่อน เ, เคยไหมเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านอะไรต่างๆบางทีราคาหลายพันหลายหมื่นเนาะเราก็สแสวงหา แต่ที่จริงราคาต่ำํำคนนั้นนะ่ก็ยังใช้ได้เหมือนกันอะไรเนี้ยถ้าเราคุ้นเคยกับความเรียกว่าเอาแค่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักนะ่ะความคงทนอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ติดในยี่ห้อไม่ได้ติดในรสชาติไม่ได้ติดในบรรยากาศต้องรูรูหรนะูมันก็จะทําให้เรา ปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะปรับตัวนี่คือปรับทั้งใจปรับทั้งตัวนะอืมใจเราก็เออเมื่อมันเจอสิ่งที่ไม่สะดวกสบายมันก็ยอมรับได้ง่ายๆแต่ถ้าเราติดมากๆเนี่ยโอ้มันมันก็แบบขัดใจมากนะอย่างเช่นถ้าให้แบบพวกลูกคุณหนูเน่ะมาเดินท่วดงเนี่ยก็คงอยู่ไม่ได้นะอืม อย่างแค่ธรรมญาตานะยังสะดวกสบายกว่าทวดมเยอะมากมายหลายคนก็ยังรู้สึกว่ามันยังลำบากในชีวิตของเขาแต่ชีวิตแบบนี้นะบางทีเราก็ต้องคิดถึงสมัยพุทธกาลโอขนาดพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายนะพระอานนท์พระอนุรุทธะนะก็เป็นเจ้าชายนะลูกลูกเจ้าชายลูกเศรษฐี ข้าวบดีต่างๆหลายคนหลายท่านก็ออกบวชรนะับอาหารบิณฑบาตจากบ้านของอาจจะเป็นจากบ้านของพามก็ดีแพทย์ก็ดีพวกพวกค้านะ่นหรือบ้านจากสูตรก็ดีพวกทําการเกษตรพวกใช้แรงงานหรืออาจจะมีจันทานนะคนนอกวันณนะมาใส่บาตรก็ดีนะ่ ท่านเหล่านั้นที่เคยทานอาหารแบบปาณนีดนะเคยนอนที่นอนที่สะดวกสบายเคยมีข้าวของเครื่องใช้ที่พร้อหมดนะต้ามาเจอแบบนี้มันเป็นแบบไหน <c oughs> เคยเคยมีเจ้าชายองคนึ่งนะที่แต่ จ, จาชื่อไม่ได้นะนะท่านอยากกินอะไรเนี่ยก็ได้กินหมดเลยนะนะ <c oughs> ได้กินหมดทุกอย่างเนะี่ยเป็นั่งรู้สึกว่าแบบไม่พอใจไมายถึงว่าคนพ่อหรือแม่รู้สึกอยากจะขัดเกลาท่านบ้างน ะ, นะก็บอกก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะกินนะเออบอกว่าวันนี้ไม่มีนะท่านก็ น, นึกว่าอาหารหรือว่าขนมที่เรียกว่าไม่มี <c oughs> ไม่เคยได้จักคำว่าไม่มีนะ มีแต่มีตลอดอืพอพอพูดคําว่าไม่มีก็คิดว่ามันคือชื่อชื่ออาหารหรือชื่อขนมแบบเนี้ยมันเป็นความเคยชินความสะดวกสบายเนาะเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าทําไมคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่แบบนั้นบางทีไม่บรรลุธรรมเพราะว่ามันติดนะมันติดเนะี่ย ทำไมเทวดานางฟ้านะ่บนสวรรค์บรรลุธรรมได้ยากเพราะว่าอะไรอยากกินก็นิมิตนะอาหารการกินที่ได้กินนะเสพสุขเสพสบายเนะ่บางทีเสพสุขเสพสบายมากนะบรรลุธรรมยากเพราะว่าอะไรมันไม่อยากละความสะดวกสบายความเคยชินตรง น, นั้นภนะพภูมิที่เป็นภพภูมิที่สุขมากมากก็ บรรลุธรรมยากนะพบภูมิที่สงบมากๆเป็นพรมนะก็ไม่อยากออกจากความสงบไม่อยากรู้อะไรนะก็บรรลุธรรมยากแต่พบภูมิที่ทุกข์มากๆเป็นสัตว์อา่นานรกนะทรามานมากๆก็บรรลุธรรมยากเหมือนกันนะเพราะมันเหนื่อยมันทุกข์มากนะหรือสัตว์เดรัจฉานใช้ชีวิตตา ม, ามตามสรญชาติยานนะ ไม่ค่อยมีปัญญานะก็บรรลุธรรมายากแต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นภพภูมิที่เอื้อนะเอื้อต่อการบรรลุธรรมมากที่สุดเพราะว่าอะไรมันมีสุขมีทุกข์นะได้เจอทั้งสุขได้เจอทั้งทุกข์นะทุกข์ก็ไม่ทุกข์มากเกินไปนะสุขก็ไม่สุขมากเกินไปนะบางทีก็มีความขัดใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะ อย่างเป็นเศรษฐีอย่างเป็นพระราชาเป็นอะไรก็ดีนะมันก็มีความสะดวกสบายเยอะนะแต่มันก็ถ้าคนที่มีปัญญาก็จะเห็นว่ามันก็มีทุกข์นะ <c oughs> ใช่ไหมรวยก็ยังรู้สึกทุกข์เพราะว่าต้องบริหารเงินบริหารลูกน้องนะมีอํานาจถ้าคนสังเกตดีๆในอํานาจมันก็มีทุกข์ใช่ไหมมันต้องกลัวนะทุกข์เพราะความกลัวจะเสียอํานาจ ทุกข์เพราะความกลัวว่าอำนาจตัวเองจะลดลงทุกข์เพราะความกลัวว่าจะถูกด้ว่อยขาเก้าอี้อะไรเี้ย <c oughs> มันก็มีนะถ้าคนสังเกตดีๆในความอยากในกิเลสในสิ่งที่ตัวเองมีมันก็มีทุกข์อยู่ในนั้นนะมีลูกมากก็ต้องเหนื่อยเพราะลูกมาก <c oughs> มีภรรยามากมันคนคิดว่าดีนะบางทีก็เหนื่อยเพราะภรรยามากนั่นแหละ มีมากก็ก็ทุกมากแต่บางคนมีน้อยก็เห็นความทุกข์นะมีเงินน้อยก็ทุกเพราะมีหนี้มีศินนะมีนะรถน้อยนะก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะลําบากหน่อยที่จริงในในภพภูมิของมนุษยโน่ะมันท่านมองดีๆมันจะเห็นมันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกข์นะปะปนกันถ้าคนที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าเออ ที่จริงมันก็ชีวิตมันก็ปนปนกันกับความสุขความทุกข์นะแต่ความสุขในที่นี้ก็เหมือนความสุขทั้งโลกความสะดวกสบายเนาะนะแต่ถ้าคนที่มีปัญญาก็จะเอหันเข้ามามาหาความสุขที่แท้จริงนะทําอย่างไรเนะเราถึงจะเกิดความสงบที่แท้จริงนะวัตถุสิ่งของที่มีก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงนอะืนะ ทำอย่างไรใจถึงจะเป็นความใจถึงจะสงบใจถึงจะสุขที่แท้จริงเนี่ยคนที่มีปัญญานะถึงจะเข้ามาหาสิ่งนี้นะเข้ามาทําสิ่งนี้นะอืการภาวนาการปฏิบัติธรรมนะการทุดงขัดเกา่ากิเลสจิตใจนะหรือกิจวัตรต่างๆที่มันเป็นการเนื่องด้วยการพัฒนาจิตใจเนะี่ยฝึกจิตใจนั่นแหละนะคือหนทางนะนะ หนทางที่จะนำเราออกไปสู่จากความทุกข์ได้นะครูญาติท่านบอกเราไว้ละอะรอริยมรรคมีองค์แปนั่นแหละนะคือเรื่องของกายวาจาใจนะเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะจะอยู่ที่ไหนถ้าเราเดินทางตัวนี้นะเดินทางทางใจแบบนี้เนาะใจก็คิดไม่เป็นในทางเสพการมคุณนะ คิดในทางไม่เบียดเบียนคิดในการไม่มุ่งร้ายผู้อื่นนะไม่พยาบาทผู้อื่นเนี่ยคือคิดถูกคิดชอบนะนะเห็นนะเห็นทุกข์แบบไหนนะเห็นเหตุของทุกข์นะละเหตุของทุกข์ได้นะก็นะพ้นจากความทุกข์ได้นะหรือกายวาจาก็เกิดสัมมาขึ้นมานะ วาจาชอบนะการงานชอบนะอาชีพชอบนะมันก็เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นนะหรือความเพียรชอบนะเพียรก็ไม่ได้เพียรแค่ภายนอกนะไม่ได้เพียรแค่ปฏิบัติในรูปแบบหรือโดหรือเดินแบบหามรุ่มหางค่ำ น, นะแต่เพียรในการละอกุศล เพียรในการเจริญกุศลนะเพียรในการละสิ่งที่เรายึดติดถือมั่นนะเพียร <c oughs> ในการนะเจริญกุศลที่จะเป็นเหตุให้เกิดการละความยึดติดถือมั่นนะอันนี้คือความเพียรชอบนะสมาสติสมาสมาธินะก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนต้องทำอยู่เป็นประจำนะคอยหมั่นตามรู้กายรู้ใจจนทั้งจิต เกิดความสงบเกิดความตั้งมั่นนะเกิดการเป็นผู้ดูผู้เห็นนะมันก็จะเกิดสติปัญญาขึ้นมานะอันนี้คือสินสมาธิปัญญานะที่เกิดจากการเจริญอริยมรรคในองแตกเนี่ยนะมันคือสิ่งที่ผู้ที่มีปัญญาเนาะคอยหมั่นฝึกฝนภาวนาเนาะอันเราจะอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่นะเจอสภาวะอารมณ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรก็แล้วแต่นะ ให้เรามั่นคงในการเจริญตรงนี้แหละนะอนะอย่าไปหลงกับโรคนะแต่ก็อย่าไปต่อต้านโรคนะโลกเขาเป็นแบบไหนก็ยอมรับเขาเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะนะไม่ว่าจะเป็นโลกรนคะภายนอกนะรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะธรรมลมที่เกิดขึ้นจากภายนอกเป็นแบบไหนมันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งของมันนะ หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นในใจนะถ้าดูดีๆมันก็เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเอมันก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเนาะเหมือนกับการเดินทางของเราแต่ละก้าวก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆสนะิบวันยี่สิบวันก็ผ่านมาไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะ เพราะว่าการเดินทางของเราเนะก็ขอให้การเดินทางเนะี่ยทางจิตวิญญาณเนะ่คือการภาวนาของเราเนะให้ผ่านอารมณ์ไปเรื่อยๆนะอย่าไปติดข้องมองใจนะอะไรที่มันยึดติดถือมัน่นพยายามผ่านมันให้ได้นะอะไรที่นะละได้แล้วก็ถือว่าสบายขึ้นนะก็ดีขึ้นแล้วนะ อะไรที่ยังละไม่ได้ก็ต้องพยายามสุกผลตนนะให้ผ่านมันให้ได้นะในช่วงปีเก่านะเข้าสู่ปีใหม่นะเราต้องตั้งใจนะตั้งใจนะนะแต่ก็อย่าประมาทนะบางทีจะเข้าสู่ปีใหม่หรือเปล่ายังไม่รู้นะชีวิตเราก็ไม่แน่นะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้นะนะแต่ก็ให้ตั้งใจฝึกฝนตนทุกวันนะนะชีวิตเราก็จะได้ จะเดินก้าวหน้าเนาะุูมค่านในการที่ได้มีชีวิตเนาะฝากฝากเลย